ฉะนั้นเองก็เรื่องของการทําความเข้าใจหรือตัวสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําให้ชัดเจนไว้สําหรับผู้ที่กําลังปฏิบัตินี่จากวิธีการหลวงพ่อเทียนกับสติปัฏฐาน4แบบเคลื่อนไหวเนี่ยกับสติปัฏฐาน4แบบตัวบทต้องเดินทางไปดําเนินไปด้วยกันอย่าง ผสมผสานกลมกลืนนะนีถ้าหากว่าเราทําแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่เข้าใจสติปัญญานสูตรเหมือนกับเราเดินทางมีแผนที่ของเราเองแต่ว่าไม่ใช่แผนที่สากลหรือเราเดินทางตามสติปัญฐานสูตรแล้วมีแผนที่สากลสากลแต่ว่าเราไม่รู้จักทางด้วยตัวเองมันก็จะไม่อ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 ในหลักห้าประการที่ท่านตัดเป็นอนิสงส์เป็นข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยเราจะต้องชัดเจนว่าอภิปการที่หนึ่งจิตของเราจะสะอาดหมดจดระดับหนึ่งระดับหนึ่งคืออะไรระดับหนึ่งคือสองประการคือจิตไเรื่องอะไรที่มากระทบแล้วเราจะไม่กลับเอาเรื่องนั้นมาคิดอีกปุ้งแต่งอีก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 ก็คือโศกปริเทวนังทุกขทุกข์โศทุกข์โกปริเทวนังสมติกมายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัตหมายของว่าทุกข์และความทุกข์คือความไม่สบายกาย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 ทุกขโทความไม่สบายใจคือโทมานัตความไม่สบายกายคือทุกข์ทุกขโทมานัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอาความไม่สบายใจอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายเนี่ยจะไม่มีคําสองข้อนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คําว่าทุกขโขอาจจะคําว่าโทมานัสโสคำใดคําหนึ่งแต่นี่ท่นใช้ทั้งสองคำเลยถามว่าตัวทุกโทมนัตอย่างนี่วอ์เนี่ยถือว่าเป็นทุกโทมนัตไหม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 ถ้าเราปฏิบัติถูกความนิวณ์ห้าความเงาห้องนอนมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ลีนี่เราดั้งนั่งสปังงกสปังงาได้เป็นวักเป็นเวทก็แสดงว่ามันดั้งอยู่ได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันว่าไอ้มันเป็นยังไงฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นสว่าขาธรรมทุกบททุกตอนต้องได้รับการพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงไม่ใช่ท่านมาตั้งไว้โกโ ก, โกอย่างนั้นไม่ใช่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 อันนี้ก็จะพูดแบบอย่างนี้ก็ไม่ถูกเราก็เอาชนะได้แต่ชนะตามกําลังของเราสมมุติว่าตัวง่วงเนี่ยเมื่อก่อนอีซีเราอ่อนจริงจริงเรากวรจะเอาชนะมันได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่พอเรามีบูรณาการในเงื่อนไขาสามข้ออย่างถูกต้องเราก็อาจจะลดจํานวนเวลาเหลือลงมาแทนที่จะนั่งสักชั่วโมงอาจจะเหลือสักครึ่งชั่วโมง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 ชี้แจงแก้ไขให้กว้างขวางก็ถือว่าปฏิบัติอย่างเดียวเดี๋ยวก็เข้าใจเองเดี๋ยวเอาไปเอามามันไปคนละทิศละทางก็พอขาดการทําความเข้าใจดังนั้นเองในช่วงภายในเจ็ดวันนี้เอามาจะลองทำเรื่องนี้ดูเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีอุประสรรคจะโดยละเอียดหรือไม่เนี่ยแล้วแต่สติปัญญาและความสามารถที่มีอยู่นะฮะ เพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงใ น, น, นที่เจ็ดวันนี้เราเน้นที่ที่ที่พระนะและโยมก็ถือว่ามาร่วมมาแจม <c oughs> แล้วตามกําลังสถิปัญญาแล้วก็เวลาของตัวเองทีนี้มาดูข้อต่อไปเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความสุขและความลำไรลำพันโศกกระปริเทวานังอัตถังขมายักเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่ง ความสุขและความร่ำรลยรพันธ์เงื่อนไขข้อที่สามนะเงื่อนไขข้อที่สามของการเสด็จสนิปฐานสุดหมายความว่าอย่างไร <c oughs> แล้วก้าวล่วงได้หรือยังความสุขเศร้าพี่ไร่รพันธ์มันก็เนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองแล้วจะเห็นว่า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 ความสุขความพิลาเอนเกิดมาจากความไม่สบายนั่นเองถ้าคุณเราสบายเรื่องอะไรมันจะไปเศร้าสุขพิลาเอลพันเพราะความไม่สบายอะไรไม่สบายกายไม่สบายใจจึงเกิดความ ส, าสุขเศร้าพิลาเอลพันนะเกิดความร่าคราครวนทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงคําว่า ส, าสุขเศร้าพิลาเอลพันในแง่ดีกรีสูงสุดก็คือแสดงออกทั้งกายทั้งใจจะมีการฟูมไฟล้องให้มีการแสดงอาการสุขเศร้าให้ปรากฏ อย่างนี้เขาเรียกว่าดีกรีสูงสุดถ้าแบ่งเป็นระดับระดับหระดับระดับสูงสุดคือฟูงไฟร้องไห้คร่ำครวญการสูญเสียสูญเสียลูกผัวสูญเสียสมบัติสูญเสียลูกเมียสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนที่รักเกิดการฟูงไฟโศกเศร้าพิรำพันธ์อันนั้นปรากฏร้อยเปอร์เซนทีนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ย ความ ส, เสุเศร้าพิไรลำพันธ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหนนะก็คือเอาเรื่องความไม่สบายกายกยไม่สบายใจมามาคิดมาปรุงบ่อยๆเช่นเราไม่สบายใจพอลูกเราก็เอาเรื่องลูกความไม่สบายเรื่องลูกมาคิดบ่อยๆนั่นะก็เรียกว่าเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับของผู้ปฏิบัติ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 ก็ขึ้นอยู่ว่านักปฏิบัตินั้นเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไปอยู่ระดับไหนถ้าระดับหยับๆก็คือนําเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาคําคุ้นมาปรุงมาแต่งมาวิเคราะห์วิจัยมาวิจารนรอบแล้วรอบเล่าจิตใจเศร้าหมองนั่นคือในระดับนักปฏิบัติแบบหยาบๆนักปฏิบัติแบบ ก, กลางๆเข้ามาก็อาจจะเรื่องนั้นในเรื่องที่เราไม่พอใจมันแว บ, บเข้ามาเป็นพักๆพักหนึ่งก็สั้นบ้างยาวบ้าง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 อยู่ในกําลังของภูมิปัญญาของเราจะรู้ได้เห็นได้อยู่ในกําลังของความสามารถของเราจะรู้ได้เห็นได้เช่นว่าเมื่อเราปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนแบบเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งแรกที่สุดคนที่รู้คนจะเข้าถึงได้ก็คืออารมณ์ม ร, มรูปนามเนี่ยทีนี้นอารมณ์รูปนามเนี่ยถ้าหากว่าเรา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 ไม่ใช่เป็นนึกถึงกายของเราเป็นหน้าเป็นนิแต่นึกถึงเวทนาที่เกิดกับกายถ้าพูดถึงกายต้องพ่วงเวทนาเข้าไปด้วยเพราะตัวเวทนาเป็นตัวชี้บอกว่าเรามีกายถ้าเราไม่มีเวทนาเป็นตัวชี้บอกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีกายเพราะนั้นถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเวทนาไปยึดติดเวทนาไปสําคัญมั่นหมายเวทนาว่าเป็นเราอยู่มันก็รูปนามหรือรูปนามมันกันแต่ในขั้นสมมติว่าเวทนานี้เป็นเรา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 ทำให้เราเห็นนะรูปและเวทนาหรือกายและเวทนาเนี่ยเป็นสัตตว่าได้มากขึ้นได้ยาวขึ้นน่ะแต่ถ้าเมาื่อใดเรายังเห็นว่ากายเวทนาที่ปรากฏว่ากูปวดกูเจ็บกูสบายกูไม่สบายหรือว่ายังมีกูอยู่ยังมีอัตราตัวตนอยู่ในนั้นเนี่ยคําว่าสัตวว่าน้อยลงไปแสดงว่าการบูรณาการของ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 แต่ย้อนไปดูทั้งสี่ข้อเบื้องต้นแล้วมันไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องสับสนก็การทำนิพพานให้แจ้งก็ยังไม่แจ้งและทีนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นั่นเอง น, นั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้เราได้มีการศึกษาตรวจสอบอย่างถูกต้องอไม่ใช่นั่งท ำ, ไ, ทำไปทำไปเหอเดี๋ยวมันรู้เองเนี่ยไอ้ทิ่สีดีเนี่ยควรจะเลิกกันได้แล้วแต่ทาด้วยความเข้าใจ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 นั้นการบูรณการที่นี้มาดูตนะัวเวลาเรา <c oughs> สวดอ่ะอาตาปีเวลาสวดกายเยกายานุปัสสิวิหาราติอาตาปีสติมัสสัมปชานวินัยโยเกะอภิชาโทมนาสัง่งนะว่าเมื่อมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่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 ขาดอะไรตรงนี้ขาดโยนิสโสมนิสิการอะไรคือโยนิสโสมนสิการคำนี้ชาวพุทธหรือนักปฏิบัติของเราคุ้นเคยเห็นดีว่าทำ ใ, ในใจไว้แยบขายก็ยังฟังยากอยู่คือหมายความว่าเป็นผู้สังเกตอะไรได้ละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรเบื้องต้นให้สังเกตในเรื่องรูปนามซะก่อน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 เป็นทางของฤาษีแต่เราก็ยังมาทํากันเป็นวักเป็นเวรทุกวัน น, นั่งทีละชั่วโมงสองชั่วโมงโดยไม่พิกไม่เปลี่ยนแต่เราก็นับสนับสนุนนั่งให้นั่งนานๆแต่ว่าในการสนับสนุนนั่งนานนั้นเราพิกกราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่าคุณจะต้องอยู่ท่านี้ตลอดไม่ใช่เดี๋ยวมันจะผิดหลักของอคําว่ามัชชิมาปฏิปทาอืม ดังนั้นเราจะเห็นว่าทํายังไงก็ได้ขอย่าให้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ไม่ได้ทํายังไงก็ได้แต่บางสํานักกับสอนโอถ้าคุณเปลี่ยนบ่อยๆแสดงว่าคุณไม่มีความอดทนเนี่ยนี่มันสอนผิดนี่จะไปว่าเขาผิดไม่ได้อีกเนี่ยนี่คือคือยุคสมัยของเรามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเองในวิธีการของเราจําเป็นต้องว่ากัในให้ชัดเจนไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรเราจะได้ไม่เสียเวลาดังนั้น การที่เราจะบูรณาการอาตาปีสติมาสัมปช ا โนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบ2ประการนี้เข้ามาช่วยคือหลักของปรโตโขโสดะและหลักของโยนิสงมนสิการปรโตโขโสะคือองค์ประกอบอีก3ประการย่อยเนี่ยคือกิริยะมิตรกระะิริยเดชหายและสิ่งแวดล้อมเนี่ยห้นะจะช่วยเราได้5 0าเท่านั้น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 เขาว่ากิเลสในตัวนั้นคือโทมนัตและนอกจากโทมนัตแล้วก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิตัวนั้นอ่ะคือหมายความเข้าใจผิดสําคัญรูปนี้เป็นเราสําคัญว่ากายนี้เป็นเราแล้วก็พยายามที่จะบังคับกายนี้ให้ได้อย่างที่เราต้องการดูว่าฉันจะ น, น, นั่งท่านี้ไม่เปลี่ยนดชูชั่วโมงสองชั่วโมงดูดิเป็นยังไง อันนี้ไปฝืนกฎของของของธรรมแล้วกฎของธรรมของรูปกฎของรูปคืออะไรอันนี้จังทุกของอนัตตาเราไปฝืนกฎอันนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงแต่ เ, เราไม่เปลี่ยนแปลงตามเขานะมันก็จะอกให้เกิดความทุกข์อ่าแล้วเราก็จะใช้ไม่ได้ภาวะร่างกายใช้ไม่ได้ไรสภาพแล้วเป็นอนัตตานะเขาว่าอนัตตานี่แปลได้ไหลายอย่างไปว่าไรสภาพหมดสภาพพึ่งพาไม่ได้ ไม่มีสาระตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยอิงกันนํามธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นหลักอนัตตากับหลักปฏิสวดปัจจัยการสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวถ้าเราเข้าใจหลักปรมัตญาแล้วในช่วงของการเข้ารีทรีทครั้งนี้เอามาเองก็คงจะต้องทําหน้าที่ในการที่จะทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนในระดับของสมมติคือการพูดการชี้แจงด้วยเหตุผล แล้วการให้เห็นตัวบทความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทที่พระองค์ตรัสเอาไว้กับหลักการที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยให้สัมพันธ์กันทําให้ว่าดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ <c oughs> ส่วนจะเกิดผลแค่ไหนนั้นไม่ได้หวังแต่ว่าขอให้ทําในจุดนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะว่าห้เอร์ซจะทําดีแค่ไหนพูดได้ละเอียดแค่ไหนก็ห้าเซแต่อีกห้าิเปอร์ซ็นของเราคืออยู่นิโสมนัิการแต่ามาก็ทําหน้าที่เป็น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 เบื่อมันเป็นทุกข์ไหมทุกข์ก็แก้ไขมันสิให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ใช่อะไรก็ใช้ทำสามประการมาบูรณาการเข้าไปมาใช้วิปัสสนาดยหลักสามประการเข้าไปมันเซ็งมันเบื่อมันหิวมันกระหายมันปวดมันเมื่อยมันเอาตัวสามประการมาบูรณาการใช้ให้ได้แต่ถ้าหากเรใช้ไม่ได้เพราะอะไรหาเหตุต่อไปหาเหตุต่อไปความขี้เกียจความเซ็งความอึดอัดขัดเครื่องความไม่สนุก มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแหลแล้วผลที่ออกมามันจะไม่เสียเวลานะันั้นในช่งชวงเช้านี้อาตมา ก, ก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เอาไว้ในบทแรกถือว่าเป็นบทที่หนึ่งทีเดียวแล้วตลอดเจ็ดวันนี้จะไปถึงไหนก็แล้วแต่นะเด็ก็ขอให้อ่าได้เข้าใจว่าเป็นเจตนาเพื่อที่จะเพราะในไหนมันก็ยจะออกพรรษาแล้วเนี่ย